5. ปัญจกะปุคละบัญญัติหนึ่งอบดรรดาบุคคลที่แสดงแล้วเหล่านั้นบุคคลผู้ต้องอาบัตและเดือดพร้อนทั้งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้นแล้วแก่ตนบุคคลนั้นพึงถูกว่ากล่าวอย่างนี้ว่า อาสวะที่เกิดจากการต้องอาบัติมีแก่ท่านอาสวะที่เกิดจากความเดือดร้อนเจริญแก่ท่านดีละท่านจงละอาสวะที่เกิดจากการต้องอาบัติบรรเทาอาสวะที่เกิดจากความเดือดร้อนเจริญจิตและเจริญปัญญาเมื่อเจริญอย่างนี้แล้วท่านจักเป็นผู้เสมอด้วยบุคคลที่ห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 ดีละท่านจงละอาสวะที่เกิดจากการต้องอาบัตแล้วเจริญจิตและปัญญาเมื่อเจริญอย่างนี้แล้วท่านจากเป็นผู้เสมอด้วยบุคคลที่หบรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้ไม่ต้องอาบัตแต่เดือดร้อนและไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตตอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวะธรรม เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้นแล้วแก่ตนบุคคล น, นั้นพึงถูกว่ากล่าวอย่างนี้ว่าอาสวะที่เกิดจากการต้องอาบัติไม่มีแก่ท่านอาสวะที่เกิดจากความเดือดร้อนจเจริญแก่ท่านดีละท่านจงละอาสวะที่เกิดจากความเดือดร้อนแล้วจเจริญจิตและปัญญาเมื่อจเจริญแล้วอย่างนี้ท่านจักเป็นผู้เสมอด้วยบุคคลที่ห้า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 ดีละท่านจงเจริญจิตและปัญญาเมื่อเจริญอย่างนี้แล้วท่านจากเป็นผู้เสมอด้วยบุคคลที่ห้าบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้เมื่อบุคคลที่ห้าโอวาทพร่ำสอนอยู่อย่างนี้จะถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับ 192. บุคคลให้แล้วดูหมิ่นเป็นฉไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ให้จีวรบินทบาทเสนาสนะและกีฬานปัจใจเภษัตชบริขารแก่บุคคลใดบุคคลนั้นกลับมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะให้ผู้นี้จะรับให้แล้วย่อมดูหมิ่นผู้นั้นบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าให้แล้วดูหมิน่นบุคคลดูหมิ่นด้วยการอยู่ร่วมกันเป็นฉหนบุคคลบางคนในโลกนี้ อยู่ร่วมกับบุคคลใดตลอดสองหรือสมปีดูหมิ่นบุคคลนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าดูหมิ่นด้วยการอยู่ร่วมกันบุคคลผู้เชื่อง่ายเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อเขากล่าวสรรเสริญหรือกล่าวติเตียนผู้อื่นก็เชื่อทันทีบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้เชื่อง่ายบุคคลผู้โลเลเป็นไน บุคคลบางคนในโลกนี้มีศรัทธานิดหน่อยมีความพักดีนิดหน่อยมีความรักนิดหน่อยมีความเลื่อมใสนิดหน่อยบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้โรเลบุคคลผู้โง่งม ง, งายเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่รู้สภาวททัธรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลมีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตมีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาว บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้โง่งม ง, งาย193ในบทมาติกานั้นบุคคลเปรียบเหมือนนักรบอาชีพผ้าจำพวกเป็นฉไนนักรบผ้าอาชีพจำพวกคือนักรบบางคนในโลกนี้พอเห็นกลุ่มควันเท่านั้นยอมชะงักหยุดไม่ตั้งมั่นไม่สามารถเข้าสู่สงครามได้ นักรบบางคนแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นนักรบอาชีพนักรบอาชีพจำพวกทีหนึ่งนี้มีปรากฏอยู่ในโลกยังมีอีกนักพรบอาชีพบางคนในโลกนี้แม้เห็นกลุ่มควันก็อดทนได้แต่ว่าเห็นปลายธงแล้วย่อมชะงักหยุดไม่ตั้งมัน่นไม่สามารถจะเข้าสู่สงครามได้นักพรบบางคนแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นนักรบอาชีพ นักพรบอาชีพจาพวกที่สองนี้มีปรากฏอยู่ในโลกยังมีอีกนักพรบอาชีพบางคนในโลกนี้แม้เห็นกลุ่มควันก็อดทนได้เห็นปลายธงก็อดทนได้แต่พอได้ยินเสียงอึกกระทึกแล้วยอมชะงักหยุดไม่ตั้งมัน่นไม่สามารถจะเข้าสู่สงครามได้นักพรบบางคนแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นนักพรบอาชีพ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 ยังมีอีกนักรบอาชีพบางคนในโลกนี้แม้เห็นกลุ่มควันก็อดทนได้เห็นปลายธงก็อดทนได้ได้ยินเสียงอึกกระทึกก็อดทนได้ปะทะกันก็อดทนได้นักรบอาชีพนั้นชนะสงครามนั้นแล้วชื่อว่าผู้พิชิตสงครามยอมครอบครองค่ายที่ชนะมาไว้ได้นักรบบางคนแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นนักรบอาชีพ นักลบอาชีพจำพวกทีห้านี้มีปรากฏอยู่ในโลกนักรบอาชีพห้าจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก1 9ึ่บุคคลเปรียบเหมือนนักลบอาชีพห้าจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เหมือนกันภิกษุห้าจำพวกเป็นฉไหน ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นกลุ่มทุรีเท่านั้นย่อมซบเศรา้าหงอยเหงาไม่ตั้งมัน่นย่อมไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจันทร์ประกาศความย่อหย่อนในศิกขาบอกคืนศิกขาเวียนมาเป็นคฤหัตอะไรเป็นกลุ่มทุรีของภิกษุนั้นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ทราบข่าวว่าในบ้านเรือนหรือนิคมชื่นโน้นมีหญิงหรือกุมารี ผู้มีรูปงามหน้าดูหน้าชื่นชมมีผิวพรรณงามยิ่งเธอได้ทราบข่าวนั้นแล้วย่อมซบเซาหงอยเหงาไม่ตั้งมั่นไม่สามารถเพื่อจะสืบต่อพรหมจันท ร, ร์ได้ประกาศความย่อหย่อนในสิกขาบอกคืนสิกขาเวียนมาเป็นกคระหัดนี้ชื่อว่ากลุ่มธุรีของภิกษุนั้นนักพรบอาชีพนั้นพอเห็นกลุ่มควันเท่านั้นย่อมชะงัก หยุดอยู่ไม่ตั้งมั่นไม่สามารถจะเข้าสู่สงครามได้แม้ฉันใดพิกจุนี้ก็อุปมาฉันนั้นบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นเช่นนี้บุคคลเปรียบเหมือนนักรบอาชีพจำพวกที่หนึ่งนี้ปรากฏอยู่ในพิกษุทั้งหลาย 195. ยังมีอีกพิกษุบางรูปในธรรมินัยนี้เห็นกลุ่มทุรีก็อดทนได้แต่พอเห็นปลายธงเท่านั้นยอกซบเซา งอยเหงาไม่ตั้งมั่นย่อไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจันท ร, ร์ได้ประกาศความย่อหย่อนในสิกขาบอกคืนสิกขาเวียนมาเป็นครหอันอะไรเป็นปลายทงของพิสูจน์นั้นภิกษจในธรรมินนี้ไม่เพียงได้ยินข่าวว่าในบ้านบรือนิคมชื่โอโน้นมีหญิงหรือกุมารีมีรูปงามหน้าดูน่าชื่นชมมีผิวพรรณงามยิ่ง ครั้นเธอเห็นแล้วก็ประกาศความย่อหย่อนในสิกขาหงอยเหงาไม่ตั้งมัน่นไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจันทร์ประกาศความย่อหย่อนในสิกขาบอกคืนสิกขาเวียนมาเป็นคฤหัสนี้ชื่อว่าปลายธงของภิกษุนั้นนักรบอาชีพนั้นพอเห็นกลุ่มควันก็อดทนได้เห็นปลายธงจึงชะงักหยุดอยู่ไม่ตั้งมัน่นไม่สามารถจะเข้าสู่สงครามได้แม้ฉันใด ภิกษุนี้ก็อุปมาเช น, นั้นบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นเช่นนี้บุคคลเปรียบเหมือนนักปรบอาชีพจาพวกที่สองนี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 196, ยังมีอีกภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นกลุ่มธุรีก็อดทนได้เห็นปลายธงก็อดทนได้แต่พอได้ยินเสียงอึกกระทึกเท่านั้นก็จมอยู่ในมิจฉาวิตก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 เธอถูกมาตุขามยิ้มยวนทักทายซิกซีล้อเลียนยอมจมอยู่ในมิจฉาวิตกหยุดอยู่ไม่ตั้งมัน่นไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจันท ร, ร์ได้ประกาศความย่อหย่อนในสิกขาบอกคืนสิกขาเวียนมาเป็นคฤหัสนี้ชื่อว่าเสียงอึกทึกของภิกษุนั้นนักรบอาชีพนั้นเห็นกลุ่มทุรีก็อดทนได้เห็นปลายธงก็อดทนได้ แต่พอได้ยินเสียงอึกกระทึกเท่านั้นย่อมชะนักหยุดไม่ตั้งมัน่นไม่สามารถจะเข้าสู่สงครามได้แม้ฉันใดภิกษุนี้ก็อุปมาฉันนั้นบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นเช่นนี้บุคคลเปรียบเหมือนนักพรบอาชีพจำพวกที่สามนี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย197ยังมีอีก ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นกลุ่มธุลีก็อดทนได้เห็นปลายธงก็อดทนได้ได้ยินเสียงอุกทึกก็อดทนได้แต่เมื่อปะทะกันก็เหนื่อยหน่ายระสัมระสายอะไรเป็นการประทะกันของภิกษุนั้นคือมาทุกคางเข้าไปหาภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างย่อมนั่งใกล้ชิดนอนใกล้ชิดกอดรัด เธอถูกมาตุคามนั่งใกล้ชิดนอนใกล้ชิดกอดรัดอยู่ก็ไม่บอกคืนสิกขาไม่ประกาศความย่อหย่อนให้ปรากฏเสพเมธุนธรรมนี้ชื่อว่าการประทะกันของภิกษุนั้นนักรบอาชีพนั้นเห็นกลุ่มควันก็อดทนได้เห็นปลายธงก็อดทนได้ได้ยินเสียงอึกกระทึกก็อดทนได้แต่ว่าย่อมเหนื่อยหน่าย ระสัมประสายในเมื่อมีการประทะกันแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็อุปมาฉันนั้นบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นเช่นนี้บุคคลเปรียบเหมือนนักพรบอาชีพจำพวกที่สีนี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย198ยังมีอีกภิกษุบางรูปในธรรมในนี้เห็นกลุ่มทุรีก็อดทนได้ เห็นปลายธงก็อดทนได้ได้ยินเสียงอึกกระทึกก็อดทนได้ปะทะกันก็อดทนได้เธอชนะสงครามแล้วชื่อว่าผู้พิชิตสงครามยอมครอบครองค่ายรบที่ชนะมาไว้ได้อะไรเป็นชัยชนะในสงครามของภิกษุนั้นคือมาตุคามก็ไปหาภิกษุในธรรมินัยนี้ผู้อยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างแล้ว ยอมนั่งใกล้ชิดนอนใกล้ชิดกอดรัดเธอถูกมาถุกขามนั่งใกล้ชิดนอนใกล้ชิดกอดรัดอยู่ก็ปลดเปลื้องเอาตัวรอดได้หลีกไปตามที่ปรารถนาพิกจูนั้นย่อมเข้าสู่เสนาสะนะอันสงัดเช่นป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าทึบกลางแจ้งลอมฟางเธออยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่า นั่งคูบันลังตั้งกายให้ตรงลำรงสติให้มัน่นเธอละอภิชาในโลกมีใจปราศจากอภิชาชำระจิตให้หมดจดจากอภิชาละความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้หมดจดจากความมุ่งร้ายคือพยาบาทและถีนมิธะปราศจากถีนมิธะ กำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะชัมระจิตให้หมดจดจากถีนมิทธะและอุทธจักกุกุจจะเป็นผู้ไม่ฟุง้งซ่านมีจิตสงบภายในชัมระจิตให้หมดจดจากอุทธจักุกุจจะและวิจิกิจฉาข้ามพ้นวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ชัมระจิตให้หมดจดจากวิจิกิจฉา พิกจุนั้นละนิวรณ์หประการเหล่านี้ที่ทําให้จิตเจ้าหมองบันทอนกาลังปัญญาสงัดจากกามสงัดจากสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลบรรลุปธรรมฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานละบรรลุตติยฌานละบรรลุจตุตตฌานล ะ, ล ะ, ละอยู่ พิกตุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นอย่างนี้น้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยายานเธอย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกขนี้ความดับทุก์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนี้อาสวะ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 ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนี้คือการได้ชัยชนะในสงครามของภิษุนั้นนักปรบอาชีพนั้นเห็นกลุ่มควันแล้วก็อดทนได้เห็นปลายธงก็อดทนได้ได้ยินเสียงอึกกระทึกก็อดทนได้ปะทะกันก็อดทนได้นักพรบอาชีพนั้นชนะสงครามนั้นแล้วเป็นผู้พิชิตสงคราม ยอมครอบครองค่ายรบที่ชะนะมานั้นนั่นแลแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็อุปมาฉันนั้นบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นเช่นนี้บุคคลเปรียบเหมือนนักพรบอาชีพห้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย199ในบทมาติกานั้นพิกษุผู้ถือบินธบาต เป็นวัดถ้าจำพวกเป็นฉไฉภิกษุเป็นผู้ถือบินธบาตเป็นวัดเพราะความไม่เข้าใจความไม่รู้มีความปรารถนาเร็วรามถูกความอยากครอบงำเป็นผู้ถือบินธบาตเป็นวัดเพราะวิกฤตจริตมีจิตฟุ้งซ่านเป็นผู้ถือบินธบาตเป็นวัดเพราะคิดว่าการถือบินธบาตเป็นวัดนี้พระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้ากล่าวสรรเสริญ อีกประการหนึ่งเป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดเพราะอาศัยความเป็นผู้มักน้อยอย่างเดียวเพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียวเพราะอาศัยความขัดเกลายอย่างเดียวเพราะอาศัยความต้องการปฏิบัติในวัดอันดีงามนี้อย่างเดียวบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุใดเป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยอย่างเดียวเพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียว เพราะอาศัยความขัดเกลาอย่างเดียวเพราะอาศัยความต้องการปฏิบัติในวัดอันดีงามนี้อย่างเดียวภิกจุนี้เป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดเปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสยเกิดจากเนยข้น ยอดเนยใสเกิดจากเนยใสยอดเนยใสชาวโรคถือว่าเป็นเลิศในบรรดานมสดเป็นต้นนั้นฉันใดบรรดาภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดถ้าจะพวกนี้ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยอย่างเดียวเพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียวเพราะอาศัยความขัดเกลาอย่างเดียว เพราะอาศัยความต้องการปฏิบัติในวัดอันดีงามนี้อย่างเดียวเป็นผู้เลิศประเจอสุดเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดฉะนั้นภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดห้าจำพวกเหล่านี้200บรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้ถือการห้ามพัดอันเขานำมาถวายในภายหลังเป็นวัดห้าจำพวก ภิกษ<พ> <ITA> ุผู้ถือนั public, ่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัดถ้าจำพวกเป็นต้นละภิกษุผู้ถือผ้าบางทุกุลเป็นวัดถ้าจำพวกเป็นต้นละภิกษุผู้ถือใจจีวรเป็นวัดถ้าจำพวกเป็นต้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถ้าจำพวกละภิกษุผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดถ้าจำพวกละภิกษุผู้ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดถ้าจำพวกละ ภิกตุผู้ถือการนั่งเป็นวัดท่าจำพวกเป็นต้นละภิกตุผู้ถือการนั่งบนอาสนะตามที่ได้จัดไว้เป็นวัดท่าจำพวกเป็นฉนัยละ201บรรดาภิกตุเหล่านั้นภิกตุผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดท่าจำพวกเป็นฉนัยภิกตุผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดเพราะความไม่เข้าใจความไม่รู้มีความปรารถนาเลวทาม ถูความอยากครอบงําเป็นผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดพระวิกฤตจริตมีจิตฟุง้งซ่านเป็นผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดเพราะคิดว่าการอยู่ป่าช้าเป็นวัดนี้พระพุทธเจา้าสาวกของพระพุทธเจา้ากล่าวสรรเสริญอีกประการหนึ่งเป็นผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยอย่างเดียวเพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียว เพราะอาศัยความขัดเกลารอย่างเดียวเพราะอาศัยความต้องการปฏิบัติในวัดอันดีงามอย่างเดียวบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุใดเป็นผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยอย่างเดียวเพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียวเพราะอาศัยความขัดเกลารอย่างเดียวเพราะอาศัยความต้องการปฏิบัติในวัดอันดีงามอย่างเดียวภิกษุนี้เป็นผู้เลิศ ประเจรจุดเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดเปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสยเกิดจากเนยข้นยอดเนยใสยเกิดจากเนยใส ย, ยอดเนยใสายชาวโรคถือว่าเป็นเลิศในบรรดานมสดเป็นต้นนั้นฉันใด บรรดาภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดถ่าจำพวกนี้ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยอย่างเดียวเพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียวเพราะอาศัยความขัดเกลา อ, อย่างเดียวเพราะอาศัยความปฏิบัติในวัดอันดีงามนี้อย่างเดียวเป็นผู้เลศิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดฉนั้น พิกุผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดห้าจำพวกเหล่านี้ปัญจกนิเทศจบหกชกกะปุคลบัญญัติสองร้อยสองบรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้ตรัตตรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนถึงความเป็นสัพพัญญูในธรรมนั้นและถึงความชำนาญในทศพลยาน บุคคล น, นั้นพึงทราบว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสัพพัญยุตยานั้นบุคคลผู้ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนแต่ไม่ถึงความเป็นสัพพัญยูในธรรมนั้นและไม่ถึงความชำนาญในทศพลยานบุคคล น, นั้นพึงทราบว่าเป็นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าเพราะสัพพัญยุตยานั้น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 เป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันแต่ไม่บรรลุสาวก บ, บารมีญาณบุคคลเหล่านั้นพึงทราบว่าเป็นพระอระหันต์ที่เหลือเพราะการทำที่สุดแห่งทุกนั้นบุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสะดับมาก่อนและไม่ทำที่สุดแห่งทุก์ในปัจจุบันเป็นพระอนาคามีไม่มาสู่โลกนี้อีก บุคคล น, นั้นพึงทราบว่าเป็นพระอนาคามีเพราะการไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกบุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนและไม่ทําที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันยังมาสู่โลกนี้อีกบุคคล น, นั้นพึงทราบว่าเป็นพระโสดาบันและพระสกทาคามี เพราะการมาสู่โรคนี้อีกชักกานิเทศจบเจ็ดสตกะบุคละบัญญัติ203บุคคลผู้จมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเองเป็นไฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลฝ่ายดำโดยส่วนเดียว บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าจมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเองบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วจมลงอีกเป็นไฉไนบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นได้แก่เขามีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตปะดีมีวิรยิยดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย แต่ศรัทธาของเขานั้นย่อไม่คงอยู่กับที่ไม่เจริญมีแต่เสื่อมอย่างเดียวฮีบริของเขานั้นโอตตะปะของเขานั้นวิริยะของเขานั้นปัญญาของเขานั้นย่อไม่คงอยู่กับที่ไม่เจริญมีแต่เสื่อมอย่างเดียวบุคคลเช่นนี้เชื่อว่โผล่ขึ้นแล้วจมลงอีกบุคคลผู้โผลขึ้นแล้วหยุดอยู่เป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้โผลขึ้น ได้แก่เขามีศรัทธาดีในกุตตรธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตระปาดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุตตรธรรมทั้งหลายและศรัทธาของเขานั้นไม่เสื่อมไม่เจริญคงอยู่กับที่หิริของเขานั้นโอตระปาของเขานั้นวิริยะของเขานั้นปัญญาของเขานั้นไม่เสื่อมไม่เจริญคงอยู่กับที่ บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าโผลขึ้นแล้วหยุดอยู่บุคคลผู้โปลขึ้นแล้วเหลียวมองดูเป็นฉไนบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นได้แก่เขามีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตประดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นเพราะสั่งยศสามประการสิ้นไป เป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าโผล่ขึ้นแล้วเหลียวมองดูบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นได้แก่เขามีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตปะดีมีวิริยะดี มีปัญญาดีในกุตตรธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะธรรมราคะโทสะโมหะเบาบางเป็นสกทาคามีกลับมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าโผรขึ้นแล้วข้ามไปบุคคลผู้โปรขึ้นแล้วได้ที่พึ่งเป็นฉไ น, น บุคคลบางคนในโลกนี้โผรขึ้นได้แก่เขามีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิวริดีมีโอตตปะดีมีวิรยิยดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะจะปรินิพานในเทวโลกนั้นไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดา บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าโผล่ขึ้นแล้วได้ที่พึ่งบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้ลอยบาปอยู่บนบกเป็นฉไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นได้แก่เขามีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีฮิริดีมีโอตตะ ป, ปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและเขาทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันบุคคลเช่นนี้ชื่อวโผล่ขึ้นแล้วข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้รอยบาปได้อยู่บนบก 204. บุคคลผู้เป็นอุพัโตพาควิมุตตะเป็นฉไฉบุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวีโมกแปดด้วยกายอยู่ และอาสวะของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอุปตโตภาควิมุตตะ20งรบุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะละบุคคลผู้เป็นกายสักขีและบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปะตะและบุคคลผู้เป็นศรัทธาวิมุตตะและบุคคลผู้เป็นธรรมานุสาวรีเป็นฉไนและ 2 0งรบุคคลผู้เป็นศรัทธานุสารีเป็นไนะบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพุนมีสัททินรียอันมีประมาณยิ่งเจริญอริยมรตอันมีศรัทธาเป็นตัวนํามีศรัทธาเป็นประธานบุคคลนี้เรียกว่าศรัทธานุสารีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพุน ชื่อว่าสัท ธ, ธานุสารีบุคคลผู้ดำรงอยู่ในผลชื่อว่าสัท ธ, ธาวิมุตตะสตกากะนิเทศจบ 8. ปอัตตกะปุคลบัญญัติ207บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรติจัมพวกบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยผลสี่จำพวกเป็นฉนัหนึ่งบุคคลผู้เป็นพระโสดาบัน บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผล 2. บุคคลผู้เป็นพระสกทาคามีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผล 3. บุคคลผู้เป็นพระอนาคามีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผล 4. บุคคลผู้เป็นพระอรหันต์บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตตผล 5. บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคสี่จำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยผลสี่จำพวกเหล่านี้อัตกะนิเทศจบ 9. นวกะปุคละบัญญัติ208บุคคลผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ตรัสรู้สัจจะสี่ด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยจะดับมาก่อน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 และไม่ถึงความชำนาญในทศพลยานบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้เป็นปัจเจกพุทธะบุคคลผู้เป็นอุปโตภาควิมุตตเป็นฉะไหนบุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสบีโมกแปดด้วยกายอยู่และอาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้เป็นอุปโตภาควิมุตต บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสวิโมก8ด้วยกายอยู่แต่อาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นปัญญาวิมุตตะบุคคลผู้เป็นกายสักขีเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมก8ด้วยกายอยู่และ อาสะวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นกายสขีบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปะตะเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกเป็นต้นละนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอันหนึ่งสภาวธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้ว บุคคล น, นั้นเห็นชัดแล้วด้วยปัญญาประพฤติดีแล้วด้วยปัญญาและอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้เป็นทิฏฐิปั ต, ตะบุคคลผู้เป็นศรัทธาวิมุตตะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกละนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก อันหนึ่งสภาวะธรรมที่พระตถาคตรประกาศแล้วบุคคล น, นั้นเห็นชัดแล้วด้วยปัญญาประพฤติดีแล้วด้วยปัญญาและอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาแต่ไม่เหมือนผู้เป็นทิฏฐิปะตะบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้เป็นศัทธาวิมุตตะบุคคลผู้เป็นธรรมานุสาวรีเป็นฉไฉปัญญีสีของบุคคลใด ผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพันธมีประมาณยิ่งบุคคลนั้นย่อมเจริญอริยมรรคอันมีปัญญาเป็นตัวนํามีปัญญาเป็นประธานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นธรรมานุสาวรีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพันธชื่อว่าเป็นธรรมานุสาวรีบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลชื่อว่าผู้เป็นทิฏฐิปตะ บุคคลผู้เป็นศรัทธานุสารีเป็นไน ส, นสัตทินรีของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจงโสดาปฏิผลมีประมาณยิ่งบุคคล น, นั้นย่อมเจริญอริยมรัตอันมีศรัทธาเป็นตัวนามีศรัทธาเป็นประธานบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้เป็นศรัทธานุสารีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจงโสดาปฏิผลชื่อว่า เป็นศรัทธานุสารีบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลชื่อว่าผู้เป็นศรัทธาวิมุตตะนวกะนิเทศจบสิบทัศกปุคคลบัญญัสองร้อยก้าบุคคลผู้มีความสำเร็จในกามาวจรภูมินี้ห้าจำพวกเป็นฉไหนบุคคลห้าจำพวกเหล่านี้คือ 1. บุคคลผู้เป็นสัตตักขัดตุปรมสองบุคคลผู้เป็นโกหลังโกละสามบุคคลผู้เป็นเอกพีชีสี่บุคคลผู้เป็นสกทาคามีห้าบุคคลผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในอัตภาพนี้บุคคลผู้มีความสำเร็จในกามาวจรภูมินี้ห้าจำพวกเหล่านี้บุคคลผู้ละอัตภาพ ในกามาวจรภูมิแล้วสําเร็จ5จําจพวกเป็นฉไฉนิยบุคคลหําพวกเหล่านี้คือ 1. บุคคลผู้เป็นอันตราปรินิพพายี 2. บุคคลผู้เป็นอุปหัจจปรินิพพายี 3. บุคคลผู้เป็นอสังขาระปรินิพพายี 4. บุคคลผู้เป็นสังขาระปรินิพพายี ห้าบุคคลผู้เป็นอุทธังโสโตโอากคนิทคามีบุคคลผู้ละอัตภาพในการมาวจรภูมินี้แล้วสำเร็จห้าจำพวกเหล่านี้แลการบัญญัติบุคคลย่อมมีด้วยบัญญัติเพียงเท่านี้ทัศกนิเทศจบประกรณ์ที่ชื่อว่าปุคละบัญญัติฉพานวานจบ